พระธรรมเทศนาแผ่นที่แปดสบสาลำดับที่สิบสามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ยี่สิบมีนาคม2559ห้าอห้าบมีชื่อเรื่องว่าเตรียมใจไว้เพื่อตาย คณะรัตตาญ า, ยาโยมต่อ น, นี้ไปอยู่ในความสงบผู้ที่ถ่ายรูป ก, ก็ให้งดไว้ก่อนก็เป็นการเพลินพ่านในช่วงที่หลวงพ่อกำลังแสดงธรรมทำให้เสียสมาธิในการฟังแล้วก็ตาว่าถ่ายโรคมีแฟดก็เป็นการเสียสมาธิสำหรับหลวงพ่อเองเป็นผู้แสดงธรรม พอหลวงพ่อเป็นพระป่าพระดงอยู่ในความสงบงเงียบถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนหรือว่ามีแสงเสียงแสงแฟดเข้าตาทำให้เสียสมาธิในการพูดแล้วก็พร้อมกันอย่างที่โคศกได้พูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าในการฟังธรรมเทศนาขอให้อยู่ในความสงบผู้ใดมีโทรศัพท์ก็ให้ปิดโทรศัพท์ไว้ก่อนถ้าว่าผู้ใด อยากจะรับโทรศัพท์ก็ห้เมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้ื่อนออกไปคุยกันข้างนอกเพราะตรงนี้ไม่ใช่ตรงรับโทรศัพท์ไม่ใช่ตรงคุยกัน เ, เป็นตรงที่ฟัง เ, เพราะว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยพวกเราก็คงจะได้ยินว่าผมมาจโลกาธิปฏิสหมปติที่ทายกเป็นตัวแทนของพวกเราท่านทั้งหลายว่าขอกราบประนัตนาพระคุณท่านเป็นองค์แสดงธรรมเทศนา เพราะฉนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ที่จะแสดงธรรมเทศนาก็ต้องบอกกล่าวว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงทําอย่างอื่นนะคณะทาญาทโยมลูกหลานพ่อหลวงพ่อมีสิทธิ์ที่จะบอกกล่าวให้กับพวกเราทุกท่านว่ า, าตรงนี้เป็นตรงฝังวัฒธรรมเทศนาพ่อหลวงพ่อได้รับอนุมัติาจากคณะทาญาทโยมมูใหญ่ให้เป็นองค์แสดงธรรมถ้าหากว่าพวกเราฟังตั้งใจฟังผู้ฟัง ยอมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจเสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังตั้งตั้งใจฟังก็จะได้ใจใจก็จะสงบได้รับความสงบได้รับความผ่องใส ส, สุสังและสะเตปัญญาผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญา สุดตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนพวกเราจะได้ทบทวนดูที่ได้ยินได้ฟังจากนั้นก็ภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบเมื่อเรานําเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วนะ ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวอย่างไรจากนั้นเราก็นํามาปฏิบัติเมื่อมาพาวนาจิตใจของของเราเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนํามาพิจารณาการกรองไตรตองเหตุและผลที่อยู่ในจิตใจของเราอันนี้คือว่าภาวนามยะปัญญาเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเป็นปัญญาของพระพุทธเจา้าเป็นปัญญาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านจะตัดกิเลสราคะโทสะออกจากจิตใจ ปัญหเรื่องภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาขั้นสูงสุดแต่จินตามะยปัญญาเป็นหรือว่าสุดตามยปัญญาสุดตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนอันนั้นเป็นปัญญาทั่วทไปของทางโลกที่เขาใช้กันอยู่แต่ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาของธรรม คำสอนของพุท ธ, ธะปฏิบัติอย่างไรจึงจะทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งได้และก็นำมาพิจารณานี่แหละสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังสุด ส, สุสังรัตเตปัญญางผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราพระทายาตโยมทุกทุกท่านตั้งใจฟังแล้วก็ประวัติที่อ่านลงประจบไปลูกสาวนกลูกสาวคนที่สามของเตีย ก็ได้อ่านประวัติทั้งน้ําตาด้วยนะพวกเรากคงจะได้ยิน เ, เป็นธรรมดาเนี่ยการจากไปของออบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็ต้องมีความเสียอกเสียใจเป็นธรรมดาแต่ต่อ น, นี้ไปพวกเราท่านทั้งหลายที่มาร่วมงานก็ควรจะแสดงความลําลึกถึงที่ท่านได้ มีพระคุณต่อพวกเราทุกๆท่านตลอดถึงวงศาคนาญาติลูกหลานของท่านาผู้มีอุปกรารคุณกับผุกคนทุกหมู่เหล่ า, าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างหลวงพ่อเป็นต้นนะหลวงพ่อก็มาแสดงความาความรักเมตตาเหมือนกันในมาในคราวที่ครั้งนี้นะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้แสดงธรรมแต่เอกอย่างหนึ่งนะหลวงพ่อขอย้ํา ว่าเอ๊ะทำไมหลวงพ่อจะว่าหลวงพ่อหลวงพ่อน่ะหลวงพ่อเดี๋ยวนี้อายุเจดสิปีนะลูกหลานคณาศรัทธาญาติโยมถ้าพระได้เป็นพี่โยมพี่ของหลวงพ่อหลวงพ่อเออโยมพี่นะโยมพี่ป่านาอาน่ะแต่ที่เสมอกันก็เออเอาเรียกว่าหลวงพี่ก็แล้วกันนะถ้าหากลูกหลานผู้น้อยกว่าอายุมากน้อยกว่าหลวงพ่อก็จะเรียกว่าหลวงพ่อน่ะเพราะว่าหลวงพ่ออายุมากถึงขนาดนี้แล้ว คงจะเป็นปูลพ่อปู่ย่าตายายของของลูกของหลานนะแต่ที่ยังไงก็าตามอย่าไปถือจุดนั้นเป็นจุดสาระสำคัญถือเนื้อหาสาระในในทำคำสอนก็นแล้วกันนะถือเนื้อถือเนื้อหาสาระที่พวกเราจะได้ยินได้ฟังเนี่ยมีเนื้อหาสาระอะไรพวกเราถือเอาจุดนั้นเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นแล้วนะที่นี่นะ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมารณังเมภวิสติบรณะธรมโมมิ มารนังอนติโตขยะวยะธรรมมาสังคาราอัปมาเดนะัมปาเดธาตีติวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้พวกเราคณะสัตยาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมมารวมกันแสดงออกซึ่งความ กระตันยูหรือว่าแสดงความคเคารพคารวะต่อผู้ที่วายชนคือคุณพ่อมนัดโตนิติวงศ์เป็นชาวตลาด16ตําตำบลดอนสิมพรีอำเภอวังน้ำเปรี้ยวจังหวัดสระเชาวออ์อย่างที่ได้อ่านประวัติจบลงไปแล้วนั้นถ้าจะว่ามากไหม ก็ไม่ถึงกับมากแตจ่จะว่าน้อยไปน้อยไหมก็ไม่ถึงกันน้อยเพราะในหลักท่านบอกว่าคนทุกวันนี้ยุคนี้ช่วงนีออ้อายุ75ปีเป็นอายุไขท่านว่านะนะอายุไขของมนุษย์คืออายุที่ผู้ใดก็ตามถ้าเกินอายุ75ไปไปว่าได้กำไรถ้าหากว่ายังไม่ถึง75็้านี่แปลว่าขาดทุนถ้าหาว่าผู้ใด ได้เกียรติสิแล้วแปลว่าอยู่ตัวแต่ว่าเตียน่คงได้กำไรไปปีสองสปีแต่ถึงยังไงก็ตามเตียอย่างที่ลูกสาวได้อ่านประวัติของท่านท่านป่วยมาอย่างไงท่านปฏิบัติอย่างไงพอโค้งสุดท้ายท่านที่เมื่อท่านป่วยท่านก็เข้าไปศึกษาธรรมะจากครูบาอาจารย์แต่ลูกพ่อไปลูกพ่อก็พยายามแนะนำบอกกล่าวพยายาม เออเออมพีสาหรือหนังสือของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตามหาบัวที่ท่านเป็นปรมาจารย์ในยุคสมัยนี้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้นําแนวความรู้ในท่านดันท่านด้า น, านประพฤติปฏิบัติให้กับเตียได้ยินได้ฟังตลอดถึงวงสาคนาญาติลูกหลานของท่านด้วยจากนั้นท่านก็เห็นว่าวัดของหลวงพ่ออยู่ในอยู่ในป่าตรงเกินไปท่านก็ไป ปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดหลวงพ่อนิพนที่ศาลาน้อยจังหวัดเลยนะท่านก็ได้ปฏิบัติอยู่อย่างที่ลูกสาวได้อ่านประวัติของของท่านแต่ท่านก็เป็นผู้ทั้งอกตั้งใจจริงเจิงตามที่หลวงพ่อได้เห็นทั้งสองตายายท่าน่ะทั้งโยมขันทองนี่แหละเป็นผู้นำทั้งโยมคุณ เตียมานัดของเราด้วยที่เป็นคู่บา ร, รมีแล้วว่าเป็นคู่สั่งสังสมบา ร, รมีมาด้วยกันตกทุกต ก, ต ก, ตกยากก็ไม่ทิ้งกันนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเห็นไหมที่ลูกสาวที่เราอ่านมา อ, อ่านประวัติของท่านมีเงินเท่าไหร่แต่บัดนี้ลูกหลานของท่านดูสิมีฐานะขนาดไหนไม่น้อยหน้าตำตาใคร อันไี้สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าพวกเรามีความหมั่นขยันอดทนแล้วก็ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดออมทรัพย์สมบัติในพื้นแผ่นดินไทยสมทรัพย์สมบัติในแผ่นดินโลกนี่ไม่ไปที่ไหนแล้วก็พร้อมกันคนที่มีบุญวาสนาบารมีด้วยนะแต่บางคนบางท่านถึงจะสั่งสมถึงจะคันยันขนาดไหนก็เถอะแต่คนไม่มีบุญมันผิดยังหวังฮะ คนที่ไม่มีบุญมันผิดจังหวะถ้าคนมีบุญแล้วมันจวบจังหวะมันจวบเหมาะพอดีพอดีอดออทําอะไรเข้ามามันจวบเหมาะถ้าคนที่ไม่มีบุญปีนี้โอ้เข้าโพดราคาแพงเอาเถอะปีนี้เราจะต้องทําเข้าโพดนะเร่งเข้าโพาดคณะหนักหยุดกิจการอื่นพอปีต่อไปเข้าโพดราคาตกราคาไม่เป็นราคางดท่าอเอกเอาเถอะปีหน้าปีนี้มันเข้าราคามันแพง เอาปีหน้าเราจะต้องปลูกข้าวให้มากพอปีต่อไปข้าวราคาตกเองเนี่แหละคล้ายๆกับว่ามันไม่จวบเหมาะไม่จวบจังหวะเพราะฉะนั้นมันอันนั้นก็คือบุญเก่าอีกต่างหากเพราะฉะนั้นทั้งบุญบา ร, รมีด้วยอย่างคนโบราณเขาจึงบอกจังกล่าวว่าแข่งเรือแข่งแพ้แข่งกันได้แต่แข่งบุญวาสนาบา ร, รมีนั้นอย่าไปแข่งกันเพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าพระราหันตรัสาวกเท่านั้นถึงจะรู้ได้ว่าคนนี้มีบุญมากน้อยแค่ไหนไว้ลายพ่อหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพนนนะ่ะหลวงพ่อได้ยกมาเป็นตัวอย่างหรืยกมาเป็นบรรทัดฐานแล้วว่าเป็นกระจกให้สําหรับพวกเราที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรในวันเดือนหกเพนทว่าปุเพนิวาสานุจติยาน ละลึกชาติผลหลังได้เนพราะพระพุทธเจ้าไปนั่งเภานาอยู่ที่โคลนต้นโพถ้าพวกเราไปประเทศอินเดียนะอยู่ที่โคลนต้นโพพราะพระพุทธเจ้าหันพระพักหรือหันหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกในวันเดือนหเพลนนั้นจากนั้นพระอาทิตย์ยังไม่ยังไม่ค่ําดียังมีแสงสว่างอยู่คือนายโสติญาณเนี่ยไปเกี่ยวยาคาในละแวกนั้นเดินผ่านมาเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลาพังโอ้ท่านพระ อ, องค์ท่านคงจะมั่งนั่งไม่สบาย นายโสธิยากเ็เลยนํายาคาเข้าไปบอบให้8ปดกำมือเมื่อชิตทัฏฐาได้ยาคาแปดกำมือแล้วก็มาสลับหัวสลับผางพวกเราก็เคยเห็นยาคาที่มุงบ้านนะพอสลับหัวสลับผางเสร็จเรียบร้อยชิตทัฏฐาคือขึ้นไปนั่งบนยาขาเป็นอาสนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรั่วาหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่ให้เลผลอไผลไปทางอื่นไม่ให้คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงไปในอนาคตมีมีมลมมีสติอยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบนิ่งเป็นหนึ่ง เมื่อจิตใจของพระ อ, องค์รวมสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานรัตนะเกิดความรู้พิเศษขึ้นในในช่วงนั้นว่าปุเพนิวาสานุจติยานละลึกชาติผลหลังได้เนี่ยให้พวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าให้ศึกษาไว้ว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าพระพุทธเจ้าของเราเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระพุทองค์จะละลึกชาติผลหลังได้อย่างไร เพราะอไรเพราะมีชาติเดียวแต่บัดนี้พระในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนให้ศึกษาในจุดนี้ทําไมตายยังไงตายแล้วสู่แล้วตายแล้วเกิดให้ศึกษาตามหลักธรรมตามแนวแถวของพุทธะพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ก็กำหนดเข้าไปสู่ในสู่ความสงบเข้าไปอีกเด่งเข้าไปอีกไปดูสู่ความสงบ ท่านได้สําเร็จว่าจุตูปปาตยานการจุติของสัพสัตว์ทั้งหลายสัพสัตว์ทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยปัญวาสัตเหมือนกันนะถึงจะเป็นมนุษย์กวับสัตว์สัตว์แปลว่าคํำนี่ว่าไม่ใช่สัตวติระชานนะสัตตะแปลว่าผูกข้องผู้ข้องอยู่ในภพในชาติผู้ข้องอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะแปลว่าสัตตะเป็นผู้ยัางข้องวังเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารท่านเรียกสัตว์ทั้งหมดตั้งแต่พรหมลงมา สวรรค์ทุกชั้นนิมนุษย์ทุกคนท่านเรียกสัตว์ทั้งหมดไปว่ายังคล่องอยู่ยังคล่องอยู่ในภพในชาติยังไปนิพพานยังไม่ได้แต่นั้นพระ อ, องค์ก็มองดูว่าดูสรรพสัตว์ทั้งหลายทําไมเกิดมาไม่เหมือนกันคนหนึ่งขี้ไล่ขี้เลี้ยชเลี้ยวฉลดาด บ, บ้าบ่องบ้าใบก็มีฮะพิกลพิการก็มีทําไมเกิดมาเป็นมนุษย์ยังไม่เหมือนกันพระ อ, องค์ก็ดูดูแต่ละดวงวิญญาณทําไมไม่เหมือนกัน พระองค์ก็รู้ได้ว่ากรรมคือการกระทำไม่เหมือนกันการคิดไม่เหมือนกันการกระทำไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันในเมื่อคิดทำพูดไม่เหมือนกันผลกรรมออกมาจึงไม่เหมือนกันเพราะนั้นกรรมจำแนกให้สัพพสัตทั้งหลายเกิดมาแตกแตกต่างกันท่านจึงว่าจุตูปะปาตญาตการสรัพพสัตทั้งหลายเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะกรรมเป็นผู้ กรรมเป็นผู้กระทำฉะนั้นพระพุทธองค์จึงในให้ในโอวาทปฏิโมกว่าอัตังลุกตังเสยโยปัชชาตปติทุกตังกรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง อ, อพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าตัวเองฉลาด ว่าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองฉลาดรบเรียงรวบเีดอย่านี้ไปพ้นผลในสุดเขาจับได้ไล่ทันก็เห็นเข้าคุกเข้าตารางนั่นแหละกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเพราะพระเจ้าท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายสอนอย่างไรให้ประกอบคุณงามความดีคิดดีทดําดีพูดดีจากนั้น พอจวนสว่างใกล้รุ่งพระพุทธงคก็ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณประวัติดวงวิญญาณมาจากไหนที่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นสุดนี้มาจากไหนท่านก็มองมองมองมองย้อนไปหาตัววิญญาณวิญญาณเกิดมาจากไหน เ, เหมือนกับพวกเราสัตว์ตอนนี้มันเกิดมาจากไหนมาเกิดจากพ่อแม่ตัวไหนอันนี้พระพุทธองค์ก็ดูวิญญาณว่าเกิดมาจากไหน ย้อนไปย้อนไปเขาไปถึงไปตัวถึงอวิชตัววิชาอาวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆาราปัจจะยาวิญญาณังไปถึงตัวอวิชชาอาวิชชาเนี่คือพ่อแม่ของดวงวิญญาณไปถึงจุดนั้นแล้วก็จบไม่เลยไปกว่านั้นอีกเพรา ะ, ะไรเพราะเกิดมาจากความโง่ดวงจิตดวงนี้มาเกิดมาจากความโง่ความโง่เมื่อเกิดจากความโง่แล้วอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารวิญญาณ พบชาติชลามนาณะโศกะปริเทวทุกขโทมนัสุแปลว่าร้องไห้พิไรรำพันทั้งหลายเป็นผลมาจากตัวอวิชชานี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านคณะสัตย า, าติยมทุกหมู่เหล่านะให้ศึกษาหลักธรรมคำสอนว่าตายแล้วเกิดเนี่ยเาทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าหลักพิสูจนคือให้นั่งสมาธิไม่มีทางอื่นไม่ควร จะเรียนจะศึกษาจะประมาณการจะมีมวิ ช, ชาความรู้ขนาดไหนก็เถอะไม่สามารถที่จะรู้ได้นอกจากผู้ปฏิบัติเท่านั้นถ้าผู้ปฏิบัติแล้วจะรู้ได้ผลแห่งการปฏิบัติจะบ่งบอกสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายเองเวลาเรานั่งสมาธิอาพอเสร็จแล้วเรากาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่ง เมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งแต่จิตใจนามธรรมคือตัวผู้รู้รู้นั่นแหละเป็นอันหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันมันเป็นสองอันในหลักธรรมคำสอนของพุทธทันวาร่างกายคือรูปประธรรมแต่จิตใจนวัตนามธรรม นามธรรมากับรูปธรรมอาศัยกันอยู่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันพอหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบให้กับคณะทายาิโยมทั้งหลายเห็นได้ชัดว่าพวกยุคนี้สมัยนี้เราจะไปที่ไหนเราก็นั่งรถไปหลวงพ่อก็บอกว่าร่างกายของเราเหมือนกับเหมือนกับรถแต่จิตใจของพวกเราตัวนามธรรมาเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถถ้าหากว่ารถไปชนไปเฉียวกับใครเขาจะไม่จับรถนะ เขาจะจับโซเฟอร์ไฟล์ไรเพราะโซเฟอร์เป็นคนขับนี้ก็เหมือนกันพระพุทธศาสนาพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องมโนคือใจคือโซเฟอร์นะมโนปุพังคขา ม, มาธรรมามาโนเศรษามาโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตธายาติโยมลูกหลานทุกคนให้ศึกษาหลักธรรมคําสอนของพุทธนะนี อย่างที่ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธองค์ยกเป็นชาดกขึ้นมาเนี่ยยกเป็นนิทานอุปมาอุปไมให้กับคณะทายาิโยมในยุคนั้นสมัยนั้นได้ฟังสมัยหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถเีเพราะว่าเป็นวัดป่าเชตะวันมหาวิหารในวันหนึ่งพระเจ้าปรปเสเสด็จเข้ามาตอนบ่ายเข้ามาเฝ้าพร ะ, พพระพองค์ตอนบ่าย แต่ตามปกติพระเจ้าประเสนจะมาตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างแต่วันนั้นพระองค์พระเจ้าประเสนมาตอนบ่ายพระองค์ก็ถามว่ามหาบพิตรทำไมวันนี้มาผิดเวลาผิดปกติแต่ก็ไม่เห็นหลายวันหายไปหลายวันจะเพิ่งมาโผล่มาวันนีเ้เป็นอะไรมีอะไรไหมถึงจะมาผิดปกติมาวันนี้มาถึงมาตอนบ่ายพระยาปเสนบอกว่าข้าพระพุทธองค์ ไปขนสมบัติของเศรษฐีในกรุงสาวัตถีนี้เพราะเศรษฐีท่านนีเ้เป็นผู้มีทรัพย์มากถึง8ปสบโกดแต่ไม่มีลูกไม่มีลูก เ, เพราะนั้นเวลาเขาตายประกาศหาทายาทเขาไม่มีทายาทไม่มีลูกเพราะนั้นคนที่ไม่มีลูกไม่มีทายาทสมบัติก็เลยตกเป็นของแผ่นดินตกของปิดของของหลวงาจากนั้นข้าพระองค์จึงได้ เอาเวียนทั้ง500เล่มไปขนสมบัติของเศรษฐีนี้เข้ามาไว้ในคลังหลวงพึ่งเสร็จในวันนี้พระเจาา้าค่ะเมื่อเสร็จแล้วข้าพระองค์ก็ได้มากราบพระพุทธเจ้านี่แหละพระองค์บอกว่ามหาบอพิษเศรษฐีคนนี้ปุตตะเศรษฐีเนี่ยไม่ใช่แต่เขารวยแต่ในชาตินี้นะชาติก่อนๆเขาก็รวยมาแล้วทั้ง7ชาติแต่ว่าชาติชาตินี้เขาขี้เหนียวมากนะพระเจ้าข่า เขาไม่กล้าใช้ค่าไม่กล้ากินสมบัติไม่กล้าใช้สมบัติของตัวเองเลยเออเพราะว่าถ้าหากว่าลูกน้องบริวารจัดอาหารมาให้นี่กันนะเออโบยมาคอนตะโพธมันเอามา ย, ออย้อยหยันกูหรือเปล่าเนี่ยวะทำไมเอาอาหารดีๆมาให้ข้ากินเออมันสูบกินอย่างนี้เหรออันนี้ไม่ใช่อาหารอของโกหรอกเป็นอาหารใครเอ่อทำไมจึงหรูหราฟุ่งเฟือยถึงขนาดนี้ อาหารของเศรษฐีก็คือข้าวเน้ำส้มผักกุ้มแล้วก็มากินกับข้าวปลายมาต้มกับข้าวปลายเนี่ยคืออาหารของข้าสุปจะกินทําไมของดีกินไปแล้วไปไทยายออกกระยังเก่านั่นแหละกินของอย่างนี้ก็พอได้ก็อยู่แล้วเเอนี่ยล่มก็ใช้ล่มเก่าๆร่มขาดที่ล่มของขายไม่ออกยานพาชนะก็เหมือนกันถ้าอันไหนดีๆเอาไปขายหมดยังเอาใช้แต่ของเก่าๆ แปลว่าของที่เขาไม่ใช้แล้วเนี่ยเอาขนาดนี้ก็ พ, พอเสื้อผ้าก็เหมือนกันแปลว่าใช้ของเก่าทั้งหมดแปลว่าเป็นคนขี้เหนียวพูดไง่ายๆนะไม่ยอมใช้ของของดนะอีในชาตินี้เพราะพระองค์บอกว่ามหาบพิษเศรษฐีคนนี้นนิสัยเขาเคยมาเป็นอย่างนี้แหละแต่เขารวยถึงเจ็ชาติมีทั้งแปดสิบกอดถึงเจ็ดชาติมาแล้วแต่เขาก็ น, นิสัยอย่างนี้แหล ะ, เ, ะเป็นเพราะอะไรหนอพระเจ้าขา่าพระองค์บอกว่า เศรษฐีคนนี้ในอดีตชาติ เ, าเขาเป็นคนมีอันจะกิน เ, เป็นคนที่มีบริษัทอันจะกินาจากนั้นเห็นพระประเจกพุทธเจ้าเดินเข้ามาในหมู่บ้านเศรษฐีก็เลยบอกว่าเอ้ยแม่บ้านาพวกทัวเจ้าเนี่ย เ, เตรียมอาหารใส่บาตรพระปเจกนะอพอว่าเท่านั้นเลยตัวเองก็เลยเดินออกไปใส่บาตรพระปเจกทั้งแม่บ้านเนี่ยโอ้ดีอกดีใจว่าไม่เคยได้ยินเลยคํานี้นะ ที่พ่อบ้านบอกให้ใส่บาดพระประเจกทำบุญกับพระประเจกไม่เคยได้ยินเพิ่งได้ยินวันนี้เองหนอะข้าจะทำเต็มทีนะ่แม่บ้านก็เลยเตรียมอาหงอาหารอย่างปลาเน็ดใส่บาดพระประเจกดให้เจ้าพอใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเศรษฐีตอนนั้นก็น ก, น ก, นกลับมาท่านไปทุวร์ล่าลยก็ ก, กลับมามาเห็นพระประเจกท่านมีอาหารอะไรยังพระประ杰นั่นแนหะพอดูบาดท่านก็นเปิดให้ดูโอ้อาหารทำไมอาหารปลาเน็ดขนาดนี้ ทำไมแม่บ้านของเราเนี่ยลูกน้องบริวาลของเราเนี่ยถ้าหาว่าอาหารอยู่ในบาศเนี่ยถ้าให้ลูกน้องบริวาลเรากินเขาก็ยังทําการทํางานให้กับเราอันนี้ให้สมัมมณะกินแล้วไปตีพุงอยู่ในป่าไปนอนอยู่ในป่ามันเกิดประโยชน์อะไรโอ้เสียดายนะ่าเสียดายอาหารอันปราณีที่ให้กับพระปฏิเจกพุทธเจ้านี่เขาคิดในใจเขาเสียดายอาหารนะเ อ, อจากนั้นเขากลับมาก็าไม่รู้จะทํายังไงเพราะให้ไปแล้วนะจากนั้นน่ะ พอจากนั้นเมื่อเขาตายจากชาตินั้นนะเขาก็ไปสู่สวรรค์นะพออเนกสงฆ์ที่ว่าเออไปใส่บาทพราะปฏเจกซะนะเนี่ยแหละเขาก็ไปสู่สวรรค์พอเรามาจากสวรรค์เขาก็มาเกิดพอมาเกิดเขาก็รวยมากุดเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดรวยขึ้นมาแต่กินไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเสียดายของไม่ได้ออกมาด้วยศรัทธานะเออจะใสอะไรเสียดายทั้งหมดกระทั่งเงินร้อยบาทก็จะใช้ไปบาทหนึ่งก็เสียดายกลัวมันจะขาดหัวร้อยใช่ไหม ขาดหัวพันกว่าขาดหัวหมื่นเออก็เลยไม่กล้าใช้สิ่งของอะไรไม่จะใช้ของปอนๆทั้งหมดไม่กล้าใช้ของดีแต่มาในครั้งพระพุทธเจ้านี่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าโคตมะของเราพระหรันต่สาวกเต็มบ้านเต็มเมืองเขาก็มาได้ทําบุญเพือพ่ออะไรเพราะเขาเสียดายของเออนี่แหละคนเรามันแปลกนะให้พวกเราสังเกตดูนะเศรษฐีในเมืองไทยของเราเนี่ยคงจะมีอย่างมั่งกลงพ่อว่านี่ยลักษณะอย่างนี้นะ ร ว, วยแต่ไม่กล้าทําบุญไม่กล้าใช้เอมีแต่เก็บหอมรอมริบไว้ อ, อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้เล่าให้ฟังจากนั้นถึงจะขี้เหนียวขนาดไหนรวยขนาดไหนเขาก็ตายเป็นเหมือนกันนะพอตายไปแล้วท่นี้ก็อพระเจ้าประเสริฐก็ลเลยไปนขนสมบัติเข้ามาไว้ในคลังหลวงได้เจ็ดวันพระธองค์บอกว่าเศรษฐีคนนี้เขาหมดบุญแล้วที่เขาให้ทําบุญกับพระประเจ้าพุทธเจ้านะ อ่าเอาใ น, นสงฆ์ทานของเขาเป็นมีพลังส่งได้ถึงสงได้เจดชาตินะแต่ชาติต่อไปนี้ไม่รับประกันไม่รับรองเสแล้วไม่รู้เขาจะไปเกิดในภพภูมิใดแต่ชาตินี้เขาทํากรรมอันหนึ่งหนักก็คือเอ่อเขามีลูกชายพี่ชายของเขาพี่ชายของเขาตายเออก็มีหลานคนหนึ่งตัวเล็กๆเออเขาคิดว่าจะเอามาเลี้ยงเป็นลูกของเข า, เาจากนั้นเขาก็จูงไปจูงแขนหลานไปดู หลานของข้ออันนี้เป็นสมบัติของพ่อของผมนะอันนี้เป็นวัวของอวัวของท่านเป็นรถของพ่อของผมลักษณะนั้นมันก็พูดตามภาษาเด็กใช่ไหมแต่แต่น้องอานี่เห็นโอ้โวว่าขนาดเล็กขนาดนี้มันก็ยังแสดงอากัปกิริยารู้จักสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าเราไม่ฆ่ามันจะแล้วก็คงจะไม่จบจากนั้นเขาก็เลยเอาหลานเ ข, า, ขาไปในป่าชา้าก็ไปบีบคอใช่ไหม ล้านของนั้นก็เลยตายตายนั่นแหละเป็นบาปกรรมอย่างหนักของเขาเในในในชาตินั้นนะกรรมตัว น, นั้นให้ผลเข้ามาตลอดอีกเหมือนกันเพราะนั้นกรรมสรุปแล้วก็คือกรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทาลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะอันใสงสินอันในสงทานมันมีจริง ตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกที่หลวงพ่พอได้พูดได้อ้างได้กล่าวมานี่ก็คือมาในพระไตรปิฎกที่มาสาธกให้คณะสัตยาติโยมลูกหลานได้ฟังเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอา่านในสงทานไม่ไปไหนถ้าใครทําบุญทําทานมีจิตใจกว้างขวางในภพนี้ชาตินี้อย่างหลวงพ่อเห็นนี่นะเอะตโกนตระกูลโ ต, ล ต, ตนิตรีวงศ ทำบุญให้เตีย่ยนหลวงพ่อยังเห็นรถแอมบูรนต์จอดหลวงพ่อเห็นแล้วเออภาคภูมิใจกับลูกหลานเออลูกหลานคิดถูกแล้วที่ซื้อรถมาให้กับโรงพยาบาลเพื่อขนคู่คนออไปในโรงพยาบาลใครตกทุกข์ได้ย่างเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนก็จะได้ใช้รถคข็ น, นวิ่งไปรับออแล้วก็วิ่งไปส่งตลอดถึงว่าออมีการล้มการตายเกิดขึ้นเขาก็ส่งรถส่งศพไปถึงบ้านถึงเรือนอีกต่างหาก ถ้าหากว่าไปจ้างคู่คนขนศพเนี่ยโอ้ราคาแพงมากนะถ้าโรงพยาบาลไม่มีราคาหรอกโรงพยาบาลเขาขนไปให้ถ้าขอร้องเขาถ้าเขาเถ้าไม่มีเงินเขาจะให้เน่าอยู่ในโรงพยาบาลเขาคงจะไม่ให้เน่าแน่ๆเขาจะต้องส่งถึงบ้านถึงเรือนของญาติพี่น้องของเขาเนี่ยหลวงพ่อเห็นด้วยนะการที่จะรู้ช่วยเหลือชุมชนสังคมที่คุณโยม ขันทองกับลูกลูกหลานทั้งหลายที่แสดงออกชึ่งน้ําใจทานะคือการทําบุญทําทานถ้าว่าพวกเราเสียสละมันไม่อดไม่อยากหรอกไม่จอนหลอกคนที่ทําบุญทําทานมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นแหละถ้าหาว่าใครทําบุญทําทานเราล่มจมจีบหายลกตามหาบัวท่านยังยืนยันแบบอ้าวลูกหลานผู้ใดนะถ้าหากว่าทําบุญทําทานด้วยทางสุจริตทำทำทำบุญทำทานในทางที่ถูกต้อง คิดดีซะก่อนแล้วค่อยทําบุญทําทานกับพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะถ้ามันล่มจมจิีหายมา เ, เราจะมาเราจะแทนทึกเราจะแทนทุนใหนะ้สมัยหลวงตา ย, ยังมีชีวิตอยู่ท่านหลวงตาถึงท้าถึงขนาดนั้นแหะเพราะฉะนั้นอานิสงส์แห่งการทําบุญทําทานเราเกิดมาภพใดชาติใดเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางญาติโกโหติกาของเราก็มาเกี่ยวข้องแล้วก็เราก็เสียสละให้แบ่งปันให้ แต่จะให้เราเดือดร้อนจะให้เดือดร้อนตนเดือดร้อนผู้อื่นเราคิดดูให้ดีเมื่อเราทําดีแล้วเราให้เขาไปแล้วไม่ต้องคิดหลวงตาบอกว่าหลวงตามหาบัวบอกว่าเวลาให้เขาไปแล้วไม่ต้องคิดแต่เวลาเขามาให้กับเราเราต้องคิดเราต้องทดแทนบุญคุณเขาเพราะว่าเขามาให้เราเราต้องตอบสนองเขาตอบแทนบุญคุณเขา แต่เมื่อเราให้เขาอย่าไปคิดถ้าคิดมันทุกข์เอ๊ะทำไมเราสงข้อเขาแล้วเขามันไม่รู้จักบุญคุณของเราเลยเออเหมือนกับได้ของไปอะไรไม่ลึกระลึกถึงเราเลยไม่เห็นเราเลย เ, เมื่อเขามั่งมีขึ้นมาแล้วไม่เห็นเราเลยเถ้าเราไปคิดมีเราจะทุกข์ใจอย่างเดียวเพราะนั้นให้แล้วก็แล้วไปเราคิดดีซะก่อนนี่ก็ให้ในเมื่อให้แล้วไม่ต้องคิดเนี่ยแต่เมื่อคนอื่นให้กับเราเราต้องระลึกถึงบุญคุณของเขา นี่แหละอันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงตาที่ท่านได้พูดได้กล่าวให้กับจุขเสด็ลูกหาได้ยินได้ฟังแล้วก็พร้อมกันวันนี้หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาิีเบื้องต้นว่าเพราะว่าเจ้าภาพบอกว่าอยากจะให้หลวงพ่อกล่าวถึงต่ตตตตตก็คือเตรียมตัวตายแต่เตรียมตัวตายเราเตรียมยังไงเราต้องคิดเป็นภาใส่าสาใจของตนเองในหนังสือต่อตตเนี่ยปกหลังน่นนะหลวงพ่อบอกว่าให้เตรียม ให้คิดเป็นภาษาใจของตนเองว่าถึงข้าพเจ้าจะรับผิดชอบขนาดไหนก็ตามอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องทิ้งทั้งหมดไม่ว่าจะรักขนาดไหนเกลียดขนาดไหนพอใจไม่พอใจขนาดไหนข้าพเจ้าจะต้องตายจะต้องหนีจากเขาอันนี้หลวงพ่อพูดในในในหนังสือต่อๆเล่มที่จะแจกในวันนี้และก็พร้อมกันในหนังสือเล่มนี้นะถ้าหลวงพ่อไม่บรรยาย ไม่บอกสรรพคุณพวกเราก็คงรับไปแล้วก็คงทิ้งๆิ้ง ข, งขว้างนะแต่ถ้าผูดด้ใดได้อ่านแล้วก็อ่านย้ำอีกก็ได้แต่ผู้ใ ด, ดยังไม่ได้อ่านมีแถวหน้ากันหลังๆนั่นนะแผ่นใกล้ๆเกือบเกือบสุดท้ายนะจะมีคําว่าธรรมเทศนาอบรมตอบปัญหาพระฝรังร่งพระฝรั่งคือพะระฝรั่งเป็นชาวเยอรมันเป็นลูกศิษย์ของ สายหลวงปูชานะท่านที่ไปถือโอกาสไปก็ไปปีกวิเวกนะนะั่นน่ะไปก็มีไปด้วยกันสองสามองค์ไปพักที่วัดหลวงพ่อพอวันหนึ่งอพอไปท่านก็ถามนะ่ะท่านอาจารย์ครับผมขอถามปัญาท่านอาจารย์แล้วก็เออเราก็บอกว่าเอ้ยพระฝรั่งพระต่างชาติมาเราก็บอกว่าหลวงพ่อเขาบอกว่าท่านไปถามที่อื่นมาจนลอนแหลกพ่อแรงแล้วน่ยจะมาถามหลอกๆเ ล, เล่นๆกับผมเนีผมไม่ตอบ ท่านบอกว่าใช่ผมไปถามที่อื่นผมก็ถามมาแล้วแต่ท่านก็ตอบผมมาแล้วแต่นี้ผมอยากจะถามท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จะตอบผมว่าไงที่ผมจะถามเออท่านก็ถามมาจุดนี้หลวงพออ่ออิงเอาถามก็ถามว่าถามเรื่องอะไรท่านก็ถามว่าผมไปตัวผมไปตรวจสุขภาพรองพยาบาลหมอเขาบอกว่าผมเป็นไวรัส4 หมอเขาบอกว่าต่อไปตับผมจะแข็งต่อไปผมจะเป็นมะเร็งตับในที่สุดมะเร็งตับในเดี๋ยวนี้ไม่มีย า, ายาไทยยาจีนยาฝรั่งไม่มีถ้าเป็นมะเร็งตับแล้วก็แปลว่าคอยวันตายแต่ถึงยังไงก่อนที่จะตายนั้นก็จะต้องอทรมานพอสมควรเพราะนั้นผมจะต้องไปหาหมอ รักษาตามอาการในเมื่อท้องอืดตามปกติมะเร็งตับในท้องอืดนะท้องใหญ่ท้องอืดก็ต้องมียาให้ยาแก้ท้องอืดถ้ามันปวดมากเขาก็จะต้องให้มอรฟินยาแก้ปวดสาหรับมะเร็งบางบางคนมันปวดมากเขาต้องให้ยาผมแต่ผลในสุดผมก็ไปนอนโรงพยาบาลอาการมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเพราะมันไม่หายแล้วเนี่ยพ อ, พอมันหนักขึ้นทีนี้ ผมก็ช่วยตนเองไม่ได้อนอนโรงพยาบาลพอในสุดพยาบาลหญิงก็ต้องมาเปื้องผ้าแก่ผ้าเช็ดร่างกายให้ผมผมก็ว่ามันผิดวิ น, นัยเพราะว่าเราเป็นพระจะให้ผู้หญิงมาแตะต้องร่างกายมันผิดวิ น, นัยแต่ถึงยังไงผมทําผมช่วยตนเองไม่ได้แล้วจะทำยังไงผมก็เนี่ยปล่อยเลยตามเลยผมขอถามท่านอาจารย์ชื่อว่าในเมื่อถึงคราวเช่นนั้นเราจะตายในโรงพยาบาลหรือออกมาตายข้างนอกดี ตามความเห็นของท่านอาจารย์อันนี้คือเขาถามปัญหาเพราะนั้นพวกลูกหลานนะเมื่อได้รับหนังสือไปแล้วหลวงพ่อตอบเขาว่ายังไงให้พวกเราอ่านทีนี้นะหลวงพ่อจะไม่เฉลยจุดนี้นะให้พวกเราอ่านดูแลปัญหาที่สองเขาถามว่าขณะที่ใจจะขาดใจจะหลุดออกจากร่างในช่วงนั้นนะจะบริกรรมกรรมฐานอะไรจะนึกคิดยึดอะไรจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดคืนความความดียึดเรื่องศินเรื่องธรรมแล้วยึดอะไร นึกคิดยึดอะไรในช่วงนั้นและจะปล่อยวางจิตใจยังไงจึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือจะทําใจยังไงจึงจะถูกต้องที่สุดในช่วงนั้นตามความเห็นของท่านอาจารย์นะอันนี้ก็ขอให้พวกเราคณะสทรายาิโจมทั้งหลายอ่านดูนะที่หลวงพ่อจะอธิบายในในนั้นไว้เสร็จแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่บรรยายไว้พวกเราได้รับหนังสือไปแล้วก็อาจจะทิ้งๆิคว่างคว่างนะแต่พวกเราได้ รับหนังสือไปแล้วนะได้ยินคำหลวงพ่อพูด เ, เกิดอย่างนี้พวกเราก็อาจจะสนใจเออใช่อยากจะฟังหลวงพอ่ออธิบายในจุดนั้นฟังสช่ไหหลวงพอ่ออธิบายให้พะระฝรั่งเขาฟ้าอย่างไงในจุดนั้นนะเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้ยกเป็นพุทธภาษีเบื้องต้นว่ามรนังเมภะวิสติความแปลและความหมายก็ว่าอีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตาย คำนี้ไม่ได้ไม่ใช่หลวงพ่อเอาความตายมาขู่กันนะการณ์ตาญาติโยาจจมเพียงแต่ชี้ประเด็นให้ดูว่าทุกคนจะต้องตายเกิดมาแล้วไม่มีใครที่จะหลีกหลีหนีพ้นไปได้แต่ว่าก่อนที่จะตายนั่นแหละเรามีคุณงามความดีหรื อ, อยังเรามีบุญกุศลในจิตใจของเราหรื อ, อยังเราประกอบคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราเพียงพอหรือยังอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะย้อนมาดูตัวเอง เอ่ถึงยังไงค่าจะต้องถึงจุดจบอีกสักวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยเ อ, อมรณะมรณะทรโ ม, ม, มหิมรณะอนาตีโตนข้าพระเจ้าจะต้องตายจะไม่ไม่หลีกลีนี้พ้นจากความตายไปได้นี่แหละเ อ, อ่จากนั้นหลวงพ่อด้ย้ำเป็นพุทธภารรษิตว่าขยะวยิยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอัปปมาเดนะสัมปาเดธาติอันนี้เป็นพุทธภารรษิตที่พระพุทธเจ้า ที่วันที่พระองค์จะปรินิพานในวันเดือน6กเพนที่เมืองกูสินาราประเทศอินเดียที่พวกเราได้ไปการาบพุทธสังเวชนิยสถานที่ประสูตัสรูแสดงธรรมจากปรินิพานเนี่ยที่ปรินิพานนี่แหละเป็นคำวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าขยะวายธรรมมาสร้างขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดธาติ ขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากนั้นพระ อ, องค์ก็หยุดปิดพระโอษฐ์ไม่พูดไม่กล่าวอะไรอีกเลยเอออันนี้กับทำการปรินิพพานดัะนั้นขอให้พวกเราคณะสัาาทธาญาติโยมลูกหลานให้ฟังเอาไว้ว่าประโยชน์ตนนั่นคืออะไรประโยชน์ตนก็คือไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีอันนี้คือปฏิบัติตน อ, อ่แล้วก็ไป เลือกประโยชน์ท่านก็คือนี่แหละช่วยหารถให้กับโรงพยาบาลให้กับชุมชนสร้างโรงเรียนสร้างสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชนอันนี้เรียกว่าประโยชน์ท่านถ้าเราทําได้ทั้งสองอย่างทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเราอยู่นสตฐานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้าทั่วนหน้ากันในชุมชนสังคมถ้ายุคใดสมัยใดพวกเรา มีน้ำจิตน้ำใจมีการเสียสละประโยชน์ตนก็ให้มองประโยชน์ท่านก็ให้มองจะไม่มีไม่มีจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันละกันโลกในยุคนั้นก็มีแต่ความร่มเยน็เยนเป็นสุขนคณขศรัทธาญาติโยมลูกหลานเรื่องศีลเรื่องธรรมเราอย่ามองข้ามนะอย่างที่หลวงพ่อก่อนที่จะสวดอภิธรรมหลวงพ่อทายก็เลยขอศีละก่อนศีลกับปานาติปาตาเวรมนีติ น, นาคาเมมุสสาสุรา ปานาในหลักธรรมคำําสอนคือความแปลและความหมายแบบพวกเราอย่าคิดค่ากันถ้าพวกเราคิดค่ากันเราไปคิดค่าเขาเขาคิดค่าเราถ้าเราไปค่าเขาเขาเขา ม, มีความรู้สึกอย่างไรถ้าเมื่อเขามาค่าเราค่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสามีภรรยาลูกหลานของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจนะถ้าเราไปทําให้กับคนอื่นเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าคิดค่ากัน อาทินนาธานเราไปคิดขโมยคนอื่นเขาลดไปขโมยรถเขาไป็รถขโมยสิ่งของเขาไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขามาเรียกค่าไทยเขาก็เสียใจถ้าเขามาทําให้กับเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันนี่แหละคือศินข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิชายาราเวรมณีสามีภรรยาลูกหลานเหลนของขายเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาตระกูลของเขา ถ้าเมื่อเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขามาทําให้กับเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่ 4, สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาไปย้อมแต่กลัวขายว่าเป็นทองคําไปเขียน เ, เช็คว่าเป็นมีเงินไปมอบให้เขาที่แท้มเป็นเช็คเด้งอย่างนี้นล้วนแล้วจะมีหลอกลวงโกหกต้มตุน๋น กันท้งนั้นเพราะนั้นการที่โกหกต้มตุนหลอกลวงเมื่อเขามาทำให้กับเราเราก็เสียใจเสียความรู้สึกแต่เมื่อเราไปทำให้กับเขาล่ะเขาก็เสียใจเสียความรู้สึกเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละศีลของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลนะคะนะานทา ญ, ญาติโยมเพราะว่าศีลศีลเราเหมือนกับอยู่นูน่นอยู่ครอบฟ้าจักรวาลไม่ใช่นะอยู่กับตัวพวกเราท่านทั้งหลายเขาเราเขาเรา ในเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาเสียใจในเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้พวกเราเป็นผู้มีศินนะให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันจะสินข้อที่ห้าเนี่ยเป็นสินพิเศษสักหน่อยนะกานัตถาญาิโยมโลกลานสินข้อที่ห้าเนี่ยเป็นศินสุราเมระยะมัชชะปะมาการดื่มสุร า, า, าเมลัยการดื่มสุราคัญช่ายฝิ่นเฮโดอินโคเคนยาหมึนเมาทั้งหลายทั้งปวงอันนั้นคือ เ อ, อทําให้เราขาดสติเมื่อเราเสพหรือเราดื่มจะเป็นมีชื่อและไม่มีชื่อก็ตามในเมื่อเราเสพและดื่มเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ขโมยใครก็ได้ลาราประลวงในสามีภรรยาของใครก็ได้ก่อหกใครก็ได้เพราะขาดสติในเมื่อขาดสติและทําความชั่วได้ทุกอย่างสรุปแล้วก็คือสิลข้อที่หเนี่ป็นศินหลังอาคารเป็น เป็นหลังคาอาคารซาลานถ้าซาลานหลังนี้เนี่ยไม่มีหลังคาและลูกหลานคณะจตหาญาติโยมคิดดูซิเวลาฝนตกมาก็เปียกแดดออกมาก็ร้อนพ่อยรเลยไม่มีหลังคานี้ก็เหมือนกันนะ่ะคนที่ขาดสติแล้วถึงจะมียศฐานมัรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนร่ํารวยขนาดไหนก็เถอะนะถ้าเป็นบ้าเสอย่างเดียวพวกลูกหลานคิดดูให้ดีก็แล้วกันเสียหมดทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสินห้าของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกล อยู่กับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเรื่องศีลเรื่องสมาธิก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะพราะพระไตรจ้าทําตัวอย่างอย่างไรให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังที่วันเดือนหกนะเพน่ะพวกเราต้องฝึกหัดต้องพยายามนะตั้งแต่ละวันถ้ามีเวลาเราก็เข้าไปในห้องพระห้องพระตามราพังแล้วไปกราบพระอพอกราบเสร็จแล้วก็อาหางสวาคาโตสุปฏิพโนก็เสร็จแล้ว เราค็นั่งคัดสมาธินะขาขวาทับขาซ้ายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาดาเนินจากนั้นกับบริกรรมนะหายใจเข้าแต่ว่าก่อนที่พอนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วนะหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์พระกรรมฐานเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อคัดนั่งคัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรานั่งประนมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนให้ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เพราะการนั่งสมาธินี่ไม่ใช่หลวงพ่ออินเป็นคนแนะนําไม่ใช่ทายกผู้ใดเป็นผู้แนะนําคือเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคือคําสอนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศคือพระธรรมพระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งสมาธิเราจึงปนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนนึกพุทโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโม คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าสังโฆ ค, คือพระสง์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศบอกพวกให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาและนํามาปฏิบัติใละพวกเราก็นนำมาปฏิบัติแล้วเสนี่นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ไหว้ครูซะก่อนพุทโธทำโมสังโฆพุทโธทำโมสังโฆพุทโธทำโมสังโฆสามจบไหว้ครูแกลักเอามือลงพอเอามือลงเสร็จแล้วกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุท หายใจออกบริกรรมโทไม่ต้องตามลงท้องนะกนัทธาญาติโยมลูกหลานนะอไม่ต้องตามลงออกไปให้อยู่ที่ปลายจมูก Jenny. เวลาลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าบริกรรมสำทับพดแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สำทับนะพระพุทธเจ้าท่านบ่าลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเท่านั้นแต่พอมาสายหลงปูมันทุพันวมันหลุดง่ายมันเผลง่ายมันหลงลืมได้ง่ายมันหลงซ่อนได้ง่าย ให้สำทับกับพุทโทนะนี่นแหละท่านเรียก ว, ว่าหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทนนั่งให้นานเท่าไหร่นานเท่าที่จะนานได้นะ เ, เรานั่งดูโทรทัศน์นั่งดูหนังฟังลําเราจึงนั่งนานได้เรานั่งภาวนาประกอบคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสูส่จิตใจเราต้องพยายามนั่งให้นานนะพุทธโทพุทโ ท, ท, โทนั่งอยู่ตามลาพังนะเนี่ยจากนั้นก็มันเผลอออกไปพยายามกลับมาพุทโธอีกถ้ามันเผลอ มันยังเผยออกอยู่ใ ห, นะหรนนนะ้รัวเลยนะเหมือนกับเรายิงปืนเขายิงปืนโกนน่ะเอ๊ะรัวเลยเอเขายิงปืนกนพวกเราคงจะเห็นในหนังนะเ น, นี่ยรัอะไรก็เหมือนกันพุ้รพุทโทพุทธโทพุทธโทรพุทโทพุทโทพุทโธในใจของเรานะอย่าให้มันมีช่องว่างเลยให้พุทโทรในจิตใจของเราให้ถี่ไม่ให้มันมีช่องออกนะอันนี้ก็คือการดูจิตใจจากนั้น ใจของเราก็จะเข้ า, ขาสู่ความสงบแต่หลวงพ่อขอแนะนําอย่างที่หลวงพ่อเคยแนะนํากับคณนธ์ศร ธ, ธา ญ, ญาติโยมลูกหลานว่าเวลานั่งภาวนาถ้ามันเผลอมันเผล อ, อไปช่วงไหนวนวะเราก็ไม่รู้ว่ามันเผลอไปช่วงไหนให้กําหนดลมหายใจเข้าให้นับหนึ่ง่ยไปตรงพุิโธนหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่ห้าหจนถึงร้อยไม่เผลอพอไม่เผลอเอากลับมาหนึ่งใหม่ถ้ามันเผลอ ให้ถึงสิให้กลับมาหนึ่งใหม่จะไปนับต่ อ, เ, อ, อเราจะรู้รู้ว่ามันมันเผลอช่วงไหนนะจากนั้นเราก็นับพุทหลายครั้งสัก2องสสี่ห้าครั้งมันไม่เผลอนะออจากนั้นเราจะค่อยมาพุทธโทต่ออีกนะมันเผลอมันเผล อ, อ, อยังไงหลวงพ่อเนะี่ยมันเผลอกระจงที่ว่าหายใจเข้า 1, หนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออก4ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอเบอเบอเอพอเบอรเสร็จแล้ว าหายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกมันจะเป็นเลขคี่เนะี่ยอันดับแรกนะว่าหนึ่งเลขคี่ใช่ไหมคู่หายใจเข้าหนึ่งคี่หายใจออกคู่หายใจเข้าคี่หายใจออกคู่คี่คู่คี่คู่แต่พอมันเผลอเข้าไปมันจะคู่คี่นะครับนักสทาย ญ, ญาติโยมให้ทดลองดูนะนะกลับไปถึงบ้านทดลองเลยนั่งภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว แต่เมื่อเราทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งจิตใจนิ่งมีความสุขนะเน่เราจะได้รู้รับได้รู้รสพระธรรมว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอันนี้พระพุทธเจ้าท่านปรัดเอาไว้แล้วนะขอให้คณะสัทธาญาิโยมลูกหลานทุกคนนะการกล่าวสังเวยเทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสบควรสมควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลอนุภาพบุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราด้วยบุญกุศลที่คุณโยมมานัดเตี่ยของพวกเราเที่ได้สังสมคุณงามความดีบําเพ็ญมาบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงขอให้มาคุ้มครอง ศรัทาญาติโยมลูกหลานจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านทุกทุกคนด้วยเถิน